ธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นปัญญาตรัสรู้เราคิดเองไม่ได้ไม่ใช่ปูมมันต้องเรียนศึกษาเมื่อเช้าหลวงพ่อสอนเรื่องสมถะไปแล้วเราไปก็เลเรื่องเจริญปัญญานะเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่ฝึกคิดเอาคนส่วนมากแนละ้วไปคิดว่าเราจะเกิดปัญญาได้เนี่ยเราต้องอ่านเราต้องฟังเราต้องคิด อันนั้นปัญญาแบบชาวโลกเขาอย่างเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็ไปหาหนังสือมาอ่านไปดูวิดีโอดูคําบรรยายฟังคําบรรยายนะแล้วบอกว่าเรามีความรู้แล้วเรามีปัญญาแล้วอย่างเราไปฟังคําบรรยายของโปรเฟสเซอร์สักค น, นแล้วบอกไปเรามีความรู้แล้วที่จริงเราจําความรู้ของไอ้โปรเฟสเซอร์คนนั้นเราไม่ได้มีความรู้จริงเราจําเข้ามา งันอย่างเราอ่านเราฟังเนี่ยสิ่งที่เราได้คือความจำยังไม่ใช่ความจริงไม่ใช่สัจจะนั้นศา ส, สนาพุทธเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านและการฟังส่วนการคิดนั้นเราก็คิดอยู่ในกรอบข้อมูลเก่าๆวิธีคิดเก่าๆคิดจากประสบการณ์เก่าๆโอกาสาที่จะเห็นสัจจะจริงๆเนี่ยยากมากเราไปอ่านเราไปฟังของคนอื่นเราได้ความจา เรานั่งคิดพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลเราได้ความคิดความจำและความคิดไม่ใช่ความจริงการจะเห็นความจริงได้ก็ต้องเข้าไปดูว่าจริงๆเป็นยังไงเข้าไปประจักษ์เข้าไปเผชิญหน้าเข้าไปดูไปรู้ว่าจริงๆเป็นยังไงอย่างเราอยากเรียนรู้ความจริงของร่างกายเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายดูซิร่างกายมันเป็นยังไงร่างกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์แน่ แต่เดิมบอกเราไม่เคยทุกข์ไม่เคยทุกข์เรามารู้สึกอยู่ในร่างกายสิเดี่ยจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้มีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพวกเราลองหายใจเข้าให้ยาวที่สุดสิหายใจเข้าไปเรื่อยๆแล้วลลดูว่าทุกข์หรือสุขทุกข์ยังเอาหายใจออกหายใจออกให้ยาวที่สุดเลยแล้วดูว่าทุกข์หรือสุข ที่จริงแล้วเราถูกความทุกข์บีบคั้นนะอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกเราหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าทำไมเราต้องนั่งแล้วต้องเปลี่ยนยรนยาบทต้องขยับไปขยับมาหรือต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินยืนมากก็ทุกข์นั่งมากก็ทุกข์เดินมากก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์ ดังนั้นทุกๆอิริยาบทเนี่ยมันมีความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยในร่างกายนี้เนี่ยถ้าเรามีสตินะเราเรียนรู้ความจริงของร่างกายไปร่างกายนี้มันมีแต่ทุกข์ไม่ใช่ของดีของพิเศษถ้าใจมัยอมรับความจริงนะว่าร่างกายคือตัวทุกข์นะีต่อไปร่างกายแก่เราจะไม่เดือดร้อนนะใจเราไม่เดือดร้อนเพราะตัวทุกข์มันแก่ร่างกายเจ็บไม่สบาย จิตใจจะไม่เดือดร้อนเพราะตัวทุกข์มันไม่สบายไม่ใช่ตัวเราร่างกายจะตายจิตใจเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะตัวทุกข์มันจะตายนล เ, เห็นทุกข์นะใจก็คลายความยึดถืออย่างเราเห็นร่างกายเป็นตัวทุกข์ใจก็ไม่ยึดถือในร่างกา ย, ยงั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะใจเราไม่ทุกข์แต่ร่างกายยังทุกข์อยู่มาดูในจิตใจ ใจิตใจเรามีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดียดเด๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเราไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบเพราะดีมันไม่เที่ยงสุขมันไม่เที่ยงสงบมันไม่เที่ยงแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปเนี่ยเราดูของจริง ของจริงในใจจะสอนสิ่งเหล่านี้เวลาความสุขเกิดขึ้นไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรมากมาย mm. ก็แค่รู้ว่ากำลังสุขอยู่ความสุขอยู่ไม่นานความสุขก็หายไปเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจแค่รู้ว่ามีความทุกข์ความทุกข์จะหายทันทีจะไม่เหมือนกันนะถ้าความสุขเนี่ยบางทีหายทันทีบางทีไม่หายเพราะความทุกข์เนี่ยเกิดร่วมกับจิต ท, ที่เป็นอกุศล แต่ความสุขเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้ที่เป็นอกุศลก็ได้มันเกิดาจากจิตที่มีโลภะเป็นความสุขเนี่ยเกิดกับจิตมีโลภะก็ได้เกิดจิตที่เป็นกุศลก็ได้งิ้นถ้าเป็นความสุขที่เกิดร่วมกับจิตที่มีโลภะทันทีที่เรารู้ทันนะโลภะดับความสุขตัวนั้นก็ดับแต่ถ้าจิตใจเราสงบสบายมีสมาธิทรงตัวอยู่หรือมีปัญญา มีความสุขผุดขึ้นมาเรารู้เนี่ยความสุขไม่ดับแม้จําเป็นต้องดับทันทีนะที่จริงความสุขก็เกิดดับตลอดเวลานั่นแหละนะแต่ว่ามันเกิดซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำได้ยาวนะเกิดซ้ํายาวจนเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดับเวลาจิตเป็นกุศลนะมันไม่ได้เกิดทีละดวงเกิดหลายหลายดวงต่อกันจิตนจิตเป็นกุศลเกิดต่อกันนะอย่างนี้นเราก็จะเห็นโอ้มีความสุข อยู่ได้ทั้งวันเลยมีความสงบอยู่ได้ทั้งวันเลยฉะ น, นั้นจิตมันทรงชานชานจิตเป็นจิตที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึง่งที่เกิดซ้ําๆได้เป็นจํานวนมากถ้าจิตยอย่างอื่นเนี่ยเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวเป็นจิตที่ดูเดี๋ยวเป็นจิตที่ฟังเดี๋ยวเป็นจิ ต, ท, จตที่คิดเรื่องของจิตเป็นเรื่องใหญ่แล้วอจ่ําแจ้งในจิตของเราเองก็แจาแจ้งในธรรมทั้งปวง กูสลเกิดเกิดขึ้นที่จิตอกูสลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตงั้นถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนดูจิตได้ดูจิตไปเลยวิธีดูจิตก็ไม่มีอะไรมากง่ายๆมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอาต้องถูกในสามวาระก่อนดูระหว่างดูหลังดู ก่อนจะดูจิตใจของเราเนี่ยอย่าอยากดูอย่าพยายามดูถ้าอยู่ๆเราจงใจจะดูจิตมันจะว่างมันจะว่างเฉยๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกอย่างอา้าวต่อไปนี้ดูจิตดูปุ๊บไม่เห็นมีอะไรเลยว่างๆบางคนก็หลงผิดเลยไปอยู่ในว่างชีว่านี้แหละจิตมันว่างแนละ้วจิตเดิมมันประพัฒสอนสว่างสวยัยว่างคิดว่าดีพิเศษที่จริงหลงอยู่ ก่อนดูไม่อย่าอยากดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาความรู้สึกเกิดเมื่อไรเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิด น, นึกเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตะวันทั้งหกความรู้สึกทางใจก็เกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลือกไม่ได้อย่างเราลืมตาขึ้นมาเราไปเห็นสาวสวยใจมันมีความสุข ใจเกิดราคาชอบเราเลือกไม่ได้เราหันไปอีกทีเจอหมาบ้ากาลังวิ่งมาความสุขหายไปแล้วใจมันกลัวขึ้นมาเราเลือกไม่ได้มันเป็นเองนี่เราจะเรียนรู้ความจริงของจิตใจแนะเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปตามการกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์อย่างนี้มีความสุขกระทบอารมณ์อย่างนี้มีความทุกข์กระทบอารมณ์อย่างนี้จิตเป็นกุศล กระทบอารมณ์อย่างนี้โลภ ก, กระทบอารมณ์อย่างนี้โกรธกระทบอย่างนี้ฟุ้งซ่านกระทบอย่างนี้หดหูกระทบอย่างนี้หลงกระทบอย่างนี้รังเลสงสัยใจมันกระทบอารมณนะ์ความรู้สึกมันเปลี่ยนให้มันกระทบอารมณ์ไปมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดให้กระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกก็ค่อยรู้เอาว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นอย่าไปรอดูนะอย่างสมหลับตาอยู่แล้วเราก็คอยจ้องอยู่ที่จิต เดี๋ยวเราจะลืมตาแล้วแล้วจะคอยดูว่าจิตจะรู้สึกยังไงอ้าวลืมตาจิตจะเฉยๆฉยนะงั้นการดูจิตดูใจเนี่ยห้ามไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดไปเลยแล้วค่อยรู้เอาต้องกล้านะที่กลาที่ก็ต้องคอยเฝ้ า, าละลืมตาละเฉยเฉยเฉยไปหมดไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่มีประโยชน์ะไร มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดอย่าทากรรมฐานแต่หลับหูหลับตาบางคนทำกรรมฐานนั่งหลับตาทั้งชาติเลยหลับตาถ้าหลับตาแล้วบรรลุทำเร็วนะคนตาบอดบรรลุก่อนบางคนก็ไม่อยากได้ยินเสียงอะไรเลยถ้ายัางคนหูหนวกยังบรรลุก่อนนี่เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเรามีตาหูจมูกลิ้นกาใจแล้วมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไม่ห้าม แต่พอมันเห็นมันได้ยินมันคิดเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลอกุศลให้รู้รูส้สบายๆแค่นี้เองนี่ขั้นที่หนึ่งอย่าไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาข้อที่สองของการดูจิตใจระหว่างที่เห็นสภาวะดูแบบคนวงนอกอย่าให้จิตถลำเข้าไปเกาะที่สภาวะ น, นั้นอย่างเวลาดูเวทนาเนี่ยจิตไหลไปอยู่กับเวทนา ถ้าจิตไหลไปเกาะอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนากรรมฐานเนี่ยจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูดูอะไรดูร่างกายทำงานดูความรู้สึกสุขทุกข์ทำงานดูความดีความชั่วมันทำงานในใจเรานะดูจิตใจมันทำงานเนะี่ยดูได้หลายอย่างเวลาดูดูแบบคนวงนอกนะที่หลวงพ่อสอนพวกเราด้วยต้องแยกธาตุแยกขันธ์ แยกธาตุแยกขันต์ขันต์มีห้าขันต์ไม่ต้องแยกทั้งห้าก็ได้อย่างน้อยมีสองแยกได้สองอันก็พอแล้วแต่ในสองอันนั้นอันหนึ่งเป็นผู้ดูอันหนึ่งเป็นผู้แสดงเพราะฉะนั้นต้องมีจิตที่เป็นผู้ดูส่วนผู้แสดงนั้นอาจจะเป็นร่างกายก็ได้เป็นเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ได้เป็นสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็ได้หรือถ้าดูได้ประณีตขึ้นเลยเห็นตัวจิตเองก็แสดงละครได้เหมือนกัน ดดนะเดี๋ยวจิ ต, จตก็ฟังเดี๋ยวจิตก็ดูเดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายเปลี่ยนแปลงดูได้เหมือนกันมีสองตัวตัวหนึ่งเป็นผู้ดูตัวหนึ่งเป็นผู้แสดงนะถ้าเราเห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเรียกว่าการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนไปรู้ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะ ถ้าเราดูความสุขความทุกข์ก็เรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานตัวความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราตัวจิตที่ไปรู้ความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะเรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานก็จะเห็นเลยจิตโลภขึ้นมาแล้วก็ไม่โลภโกรธแล้วก็ไม่โกรธหลงแล้วก็ไม่หลงฟุ้งซ่านแล้วก็หดหูสลับไปสลับมา เน่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูดูสบายสบายไม่ต้องห้ามโกรธไม่ต้องห้ามโลภไม่ต้องห้ามหลงไม่มีคําว่าห้ามแต่ว่าโกรธแล้วให้รู้ว่าโกรธโลภแล้วรู้ว่าโลภหลงแล้วรู้ว่าหลงแต่โกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธไม่ไปรอดูระหว่างที่เห็นความโกรธนะใจอยู่ต่างหากใจกับความโกรธแยกออกจากกันใจกับความโกรธนี่แยกออกจากกัน แล้ก็จะเห็นว่าความโกรธไม่ใช่เราใจที่ไปรู้ความโกรธก็ไม่ใช่เราหรือเวลาความโลภเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นกระทบอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็ให้มันรู้ว่าความโลภเกิดขึ้นแล้วมีคําว่าแล้วเป็นอดีตแล้วความโลภเกิดก่อนแล้วรู้ว่าโลภเป็นการรู้ตามหลังนะรู้ตามหลังเราไม่ไปดักจ้องไว้ก่อน แต่ตอนดูเนี right. Tim, that that ่ยเราจะเห็นว so, so so, like ่าความโลภกับจิตเนี่ยเป็นโคนละอานกันเหมือนอย่างดูร่างกายเราก็เห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเวลาดูความสุขความทุกข์เราก็เห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นโคละอันกันเวลาเราดูกิเลสเราเห็นโลภโกรธหลงกับจิตเนี่ยเป็นโคละอันกันเนี่ยมันจะแยกออกจากกันถ้าไม่แยกกันนะจะรวมเป็นก้อนเดียวกันมันจะกลายเป็นตัวเราขึ้นมาจะมีเราขึ้นมา แต่ถ้ามันแยกตัวออกจากกันนะความเป็นเราจะหายไปแท้จริงความเป็นเราไม่ได้มีจริงนะมันเหมือนเรามีรถยนต์อยู่หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆริเราจับรถยนต์มาถอดออกทีละชิ้นลูกล้อไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ํามันไม่ใช่รถยนต์หลอดไฟไม่ใช่รถยนต์เนี่ยพอเราถอดสิ่งที่คิดว่ามีจริงออกมาเป็นส่วนๆแล้วมันสูญเสียความมีตัวตนนะ ถอดรถยน์เป็นชิ้นๆปุ๊บรถยนหายไปแล้วกลายเป็นชิ้นส่วนอะไรจำนวนมากเราก็จะมาดูในจิตใจของเรานี่ถอดออกเป็นชิ้นๆได้นะในกายในใจนี้ร่างกายก็อยู่ชิ้นหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์เป็นอีกชิ้นหนึ่งความจำเป็นอีกชิ้นหนึ่งความคิดดีคิดชั่วเป็นอีกชิ้นหนึ่งความรับรู้หรือความรู้สึกหรือตัวจิตเป็นอีกชิ้นหนึ่งแยกได้ ถ้ามันแยกออกแล้วความเป็นตัวตนจะหายไปเหมือนเราถอดรถยน์เป็นชิ้นชิ้นรถยนจะหายไปแล้วเราจะมาดูจิตใจนะดูร่างกายทํางานเราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูถ้าเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นความสุขความทุกข์เคลื่อนไหวไปเปลี่ยนแปลงไปใจเป็นคนดูดูจิตที่เป็นกุศลอนะกุศลอย่างโลบปกรธหลงเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูมันเกิดแล้วมันก็หายไปเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่าง งั้นดูแล้วต้องแยกเวลาแยกน้ำจะรู้สึกว่าดูอยู่ห่างๆดูแบบคนวงนอกเวลาเราจะดูอะไรชัดเนี่ยเราจะไปดูในวงในอย่างถ้าเราเป็นนักมวยนะเราไปชกมวยนะีชกด้วยตัวเองนะเราจะเห็นคู่ต่อสู้ของเราได้ไม่ชัดเราจะคิดทางแก้ว่าจะแก้หมัดของเขาได้ยังไงเขาเตะมาจะแก้ยังไงคิดยากแต่ถ้าเราดูอยู่นอกเวทีเราเห็นนักมวยสองคนสู้กัน เราดูง่ายเลยรู้ว่าคนไหนเก่งคนไหนไม่เก่งคนไหนมีจุดอ่อนตรงไหนรู้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนวงนอกแต่ถ้าเราโดดขึ้นเวทีเองนะเราเมาหมัดเราดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วหรือเรายืนอยู่บนตึกเรามองลงไปที่ถนนเห็นรถยนต์วิ่งมาเห็นรถยนต์วิ่งไปเห็นคนเดินมาเดินไปใครมาใครไปรู้หมดเลยนะดูได้ชัดรู้ได้ชัดรถมีกี่สีอะไรนี่ดูได้มีกี่ชนิดดูได้แต่ถ้าเรา ตกลงไปยืนอยู่กลางถนนเนีรถเฉียวซ้ายเฉี่ยวขวาเลยจะดูไม่ออกเลยเพราะฉะั้นการดูหรือเจริญปัญญาเนี่ยเราต้องดูแบบคนวงนอกถอนตัวออกมาเป็นแค่ผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้แสดงเสเองถอยตัวออกมาเป็นคนดูเป็นผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้แสดงแล้วใครเป็นผู้แสดงร่างกายเป็นผู้แสดงจิตใจเป็นผู้สังเกตการเป็นผู้ดู ความสุขความทุกข์เป็นผู้แสดงจิตใจเป็นผู้สังเกตการเป็นคนดูกุศนละอกุศลโลภโกรธหลงเป็นผู้สแสดงจิตใจเป็นคนดูนะค่อยฝึกอย่างนี้กฎข้อที่สองที่หลวงพาดพูดนี้ก็คือระหว่างดูนะอย่า ก, กระโจนเข้าไปดูเหมือนมีคนดูอยู่ต่างหากดูสบายๆกฎข้อที่1ของการดูจิตใจก็คือให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปรอดูอย่าไปจ้อง กฎข้อที่สองเวลาดูดูห่างๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูเหมือนคนวงนอกเราจะดูได้ชัดกฎข้อที่สมเมื่อรู้สภาวะใดๆแล้วนะให้รู้ด้วยความเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงงั้นบางทีเรารู้สภาวะอย่างความสุขเกิดขึ้นจิตยินดีพอใจก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆเนี่ยเข้าไปแทรกแซงแล้วพยายามรักษาความสุขเอาไว้นะหรือความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่พอใจ พรพยายามเข้าไปแทรกแสงทํำยังไงจะหายทุกข์ถ้าเมื่อไหรเข้าไปแทรกแสงใจจะดิ้นรนใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นเข้ามาสู่ใจเลยถ้าใจไม่เข้าไปแทรกแสงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่นีความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจกฎข้อที่หนึ่งให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้กฎข้อที่2รู้แบบคนวงนอกไม่เข้าไปคลุกกับมัน เห็นมันทํางานใจเราอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูบทที่3เมื่อดูแล้วเป็นกลางกับมันไม่หลงยินดียินร้ายแต่ถ้าเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ว่ายินดีรู้ว่ายินร้ายความยินดียิร้ายต่อสภาวะทั้งหลายนั้นจะดับโดยอัตโนมัติจิตก็จะเป็นกลางเราก็จะรู้สภาวะด้วยความเป็นกลางการรู้สภาวะด้วยความเป็นกลางนั้นจะทําให้เรารู้ได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง อย่างเราเป็นผู้พิพากษาเราดูข้อมูลทั้งสองฝ่ายทั้งโจทและจำเลยใจเราเป็นกลางเนี่ยเราจะมองอะไรได้ตรงตามความเป็นจริงนะงั้นถ้าใจเราไม่ได้เป็นผู้ดูที่เป็นกลางนะยินดียินร้ายเราชอบฝ่ายนี้เราเกลียดฝ่ายนี้เนแล้วเรามาตัดสินเนี่ยจะลำเอียงทันทีเลยการรู้ต้องไม่มีความลำเอียงรู้ด้วยความซื่อตรงรู้อย่างที่มันเป็นจริง งั้นถ้าใจเกิดความลำเอียงขึ้นมาใจยินดีใจยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วความยินดียินร้ายจะดับอัตโนมัตินะอันดับแล้วใจเราไม่มีความลำเอียงเราก็รู้สภาวะทั้งหลายไปด้วยใจที่ไม่ลำเอียงใจที่ไม่มีไบเอชนี่คือกฎของการดูจิตใจนะข้อที่หนึ่งอะไรอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ข้อที่2 รู้แบบคนวงนอกอย่าเข้าไปคลุกกับมันอันที่สามรู้ด้วยใจที่เป็นกลางไม่มีอคติเราถึงจะรู้ตามความเป็นจริงได้ถ้าเราดูแบบคนวงในเราก็ดูไม่ชัดถ้าเรามีอคติเราก็ไม่ชัดอีกมันมีไบเอซเห็นความจริงไม่ได้เนี่ยเราค่อยๆฝึกจิตของเรานะจิตที่มีสมาธิขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้มานะ มันจะมีความเป็นกลางนะมันจะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วดูสภาวะมันทำงานนะเดี๋ยววันนี้เรียนทฤษฎีแค่นี้ก่อนนะเนาะเยอะกว่า น, นี้เรียนยากไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนวิธีทำไงที่จิตจะเป็นผู้รู้แล้วนะ จ, จะเอาไปแอพพลายใช้ได้เลยนะที่จะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้สแสดงเสเองนะเอาส่งกันบ้าน กล่าวหลวงพ่อครับอ๋อวันนี้มันแน่นกว่าเมื่อวานเียครับมันรู้สึกมันรวบๆเข้ามารู้อย่างที่มันเป็นครับไม่ว่ามันหรอกหลวงพ่อไม่ว่าสักคําเลยขอให้รู้สภาวะอย่างที่เป็นเท่านั้นเองครับมันโลภมันอยากดีรู้สึกก็จะหมดเวลาอยู่วัดนะ <c oughs> อืศีลก็ยังไม่ดีครับอ่ารู้สึกว่า เ, ลาเ <c oughs> ปล่า มันี่ยหูตั้งเลยพอะรู้สึกว่ามันขาดสติไปครับพอดีเจ้าหน่ายเขถามว่าไปทํางานชิ้นนี้เขาได้ยังอะไรเงี้ยครับพอมันตกใจเขาบอกว่าทําแล้วอะไรเงี้ยครับแต่แต่จริงมันยังไม่ได้ทํำเพราะมันตกใจครับมันก็รู้สึกว่าจิตมันเศร้าหมองอยู่สองวันนะครับเอออืก็เศร้าหมองนานไปครับ มันมันกลับมาคิดอีกมันก็ยังเศ้าหมองได้อีกอะไรเงี้ยครับเวลาเราทํอาอกุศลทําผิดศีลอะไรนะเราคิดซ้ําเนี่ยจิตจะขึ้นวิถีอกุศลใหม่นะเหมือนทําใหม่เลยงั้นเราพูดผิดโกหกไปหนึ่งคำแล้วคิดร้อยครั้งคือโกหกร้อยครั้งนะอืมครับอกุนนศลก็เหมือนกันถ้าทํากุศลนะเราคิดร้อยครั้งก็คือทำร้อยครั้งครับอ ก็เห็นใจตัวเองว่ามันยังไม่แมนครับว่าจะกลับไปขอโทษว่ายังไม่ได้ทำอะไรครับมันยังมีตัวนี้อยู่ครับว่ามันไม่แมนว่าว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรครับเราก็รีบไปทำซะสิทำให้เสร็จนะแล้วเอาไปส่งครับก็เลยว่าศีลมันก็ยังไม่ไมดีอะไรเ่งนี้ครับดีแล้วละ่ะถ้า ร, รู้อย่างนี้ก็ดีแล้วอ้าวต่อไป การนมัสกรารหลวงพ่อค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงนั่นแน่ยังกระลงท้ายจดหมายนะรู้สึกอย่างนั้นเรยอ๋อโดยความเคารพอย่างสูงนะเคยมีนะมีพันเอกพญาไอ้พระประจน์ปัจจนึกเขาเป็นประธานสภาอยู่ช่วยุคหนึ่งพระประจน์ปัจจนึกไอ้สอสอมันจะทําเรื่องขออนุ ม, มัติอะไรสักเรื่องนะ แล้วแทนที่จะขอแสดงความเคารพอย่างสูงนะมันเขียนขอแสดงความขอแสดงความเคารพอย่างไร <laughs> <laughs> <laughs> พิมพ์ีดอ่ะไม่ใช่เคารพอย่างสูงนะเคารพอย่างไรแกก็แทงหนังสือมาตอนท้ายนะจะเคารพอย่างไรข้าไม่ว่าแต่เรื่องนี้ข้าอนุมัติ น่าวาไป เ, าเมื่อคือนอะคะ่ะตั้งใจภาวนาแล้วทีนี้จังหวะที่กลัวตัวเองอ ะ, อะกลัวกดผมอะคะ่ะกลัวประคองก็เลยลงไปเองแต่ไม่กล้านอนคระกลัวหลับจังหวะที่จะเคลิบหลัไปหมดเลย <laughs> ใช่เพราะคือรู้สึกเวลาน้อยแบบเวลาอยู่ที่นี่มีค่ามากๆเลยไงค ะ, ะเวลาอยากจะใช้เวลาให้มีค่ามากที่สุดอะคะเลยอยู่กับความกลัวเนี่ยน ะ, ะ <c oughs> ไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่ก็คือก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปนั่งเพื่อที่กลัวประคองอนะคะแล้วพอจังหวะที่จะนอนพอจะเคิมอนะค่ะได้ยินเสียงดังปึง้งอตกใจตื่นนอหลวงพอ่อแลอ้วปรากฏว่าประตูห้องอยู่ๆเปิดได้เฉยเลยอะค่ะเป็นเรื่องธรรมดา อ, อารมณ์นั้นกลัวนะคะแต่ก็รู้สึกตื่นเลยอ่ะค่ะก็เลยอุ๊ยไม่รู้เป็นผีหรือว่าเป็นที่นี่เป็นอย่างนี้แหละบางทีบานเลื่อนตู้นะยังขยับได้เลยนะ <c oughs> ยิ่งใครเป็ดสาบานไว้ <c oughs> ตั้งใจไว้นะว่าจะขยันภาวนาไม่ขี้เกียจไม่นอนเลยนะนอนไม่ได้เลยนะตื <c oughs> ตกใจเลยนะคะ บานประตูมันเปิดขึ้นมาได้มันล็อก อ, อยู่น้นนองหุวงพ่อแต่มันเปิดนะคะจง<ม>ังหวะอื่นไ ม, ไม่เคยเปิดเลยนะไม่แปลกไม่แปลกเรื่องธรรมดาเมื่อคนะืนอ่ะอากาศชื้นมากไม้มันพองมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วทาไมไม่เปิดจังหวะอื่นนะคะที่ตัวเองไม่หลับอะ่ะอา้าวตอนเราตื่นตื่นเราจะไปอยู่ที่อื่นกได้ไม่ใช่เรื่องแปลก ตอนนั้นความชื้นมันพอดีมันสะสมมาพอดีแล้วเอ ย, ยคิดอะไรงมงายสิชาวฟุตนะช่างงมงายบางคนว่าผีมเคาะหน้าต่างกลัวผีนะเปิดไฟไว้ไวในห้องแล้วบอกผีมาเคาะหน้าต่างเฮ้ห้องที่เขาปิดไฟมืดผีไม่เคาะทําไมเป็นอย่างนั้นพอเปิดไฟไว้นะ้ําแมลงมันก็มาที่มุมรวดเนตุกแกมันก็มากินมแมลงเละ นะตุ๊กแกเดินตุ๊บตับตุบ๊ตับมานะเวลามันจับมแมลงใหญ่ๆได้มันต้องโขกข้างฝาดีก็โขกประตูนะป๊อกป๊ก ป, ป๊เราได้ยินเสียงคนเข้าประตูเปิดมาไม่มีคนผีนะ <laughs> ที่จริงตุ๊กแกเกาะอยู่ที่ประตู <laughs> บางคนไปเปิดดูไม่เห็นมีอะไรนะปิดประตูมาตุ๊กแกเข้ามาในห้องแล้วอย่า <laughs> งนี้ก็มีนะ <laughs> เอออย่า ง, งมงาย ค่ะถามเรื่องภาวนาหลวงพ่อคะเวลาที่เราหลงหลงเรารู้เนี่ยค่ะจะทราบได้ยังไงคะว่าเรารู้รู้ด้วยรู้ด้วยจิตหรือว่าเรารู้ด้วยความคิดที่คิดว่ารู้อะค่ะถ้ารู้จริงๆนะใจจะโปร่งโล่งเบาถ้าจงใจรู้ยจะแน่นและคืออย่างนี้ก็คือให้ภาวนาแบบนี้ไปเรื่อยๆทําสบายๆทําไปยังมีความสุขภาวนาค่ะกลับขอบพระคุณค่ะ เมื่อวานที่หลวงพ่อพูดว่าที่ผมพ่อสอนหนูว่าให้หนูเห็นเรื่องสงสัยเรื่องเรื่องไม่เข้าใจเจ้าค่ะมันเหมือนหนูเข้าใจแล้วเจ้าค่ะนั่นแหละง่ายที่ผ่านมานะที่มันภาวนานได้ช้าเพราะมันดิ้นรนมากไปถ้าเรารู้สภาวะทั้งหลายซื่ อ, อรู้ตรงอย่างที่มันเป็นใจกังวลรู้ว่ากังวลใจมันอยากจะดีรู้ว่าอยาก รู้เข้าไปตรงๆแค่นั้นเองคือการปฏิบัติเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปรู้อะไรนะสิ่งนั้นล้วนแต่สอนตราักษ์ทั้งสิ้นแต่ไม่เห็นตัวที่ว่าเป็นอย่ากจนกระทั่งไม่เป็นไรใช่ใช่ค่ะไม่เป็นไรเห็นเท่าที่เห็นได้ถ้าอยากเห็นนี่ก็ยิ่งไปใหญ่เลยเราไม่ได้ภานามแบบนั้นภานาไปสบายๆอาจใหม่ๆเราจะรู้สภาวะที่เราเห็นได้ก่อนแล้วต่อไปพอมันประณีตละเอียดขึ้นมันก็รู้สภาวะอื่นๆ อ, อีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องเมื่อกี้นี้ไม่เข้าใจตรงที่ว่านั่งฟังแล้วจิตชื่นบานแต่ง่วงอันนั้นข้อแรกนะเจ้าคะออง่วงนั้นเป็นส่วนง่วงนะส่วนร่างกายแล้วทําไมที่วตัวหลวงพ่อสอนเรื่องทําอาหนากับจิตใจกับไม่ง่วงอืถ้าใจมันชอบธรรมะอันไหนเนี่ยเวลาเราฟังครูบาอาจารย์เวลาครูบาอาจารย์สอนนะคจนจํานวนมาก ธรรมะอันไหนที่ยังไม่ตรงกับใจเรานะใจเราก็ไม่สนใจนะใจเรามันจะสงบเพราะไปเฉยๆตรงไหนที่มันถูกกับใจเราถูกกับจริตเรานี่ใจเราจะตื่นตัวขึ้นมาฟังแล้วธรรมะอันนั้นจะเข้ามาสู่ใจเราธรรมะอันนั้นสมควรแก่เราแล้วไปทำเอาแล้วแล้วขอโทษเจ้าค่ะที่ถามยาวแล้วถ้าเหวเห็นอีกตอนที่ฟังเมื่อกี้ที่หลวงพ่อเทศ ตอนที่เห็นตัวเองหายใจที่เห็นไว้ถลําอืมถลําแล้วแค่นั้นพอละเหลือเฟื่องละการที่เราเห็นจิตถลําไปใช่หไหมเราได้อะไรบ้างถ้าเห็นได้บ่อยๆนะสติเราจะเร็วขึ้นพอถล่มปุ๊บสติเกิดเลยได้สติตัวที่หนึ่งที่สองพอถล่มไปเนะี่ยมันไม่ทันไปปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรขึ้นมานะกิเลสไม่มีแรงแรงหรอกศีเราเกิดอัตโนมัติ อันที่สามพอถลำลงไปเนะี่ยเรารู้ว่าถลำจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติจะได้สมาธิอันที่สี่ถ้ามองเป็นนะถ้าจิตมันฉลาดขึ้นมาไม่เห็นนะมันถลำเองสภาวะแห่งความตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงสภาวะที่ถลำก็ไม่เที่ยงสภาวะที่ตั้งมั่นก็บังคับไม่ได้ที่ถลำก็ไม่ได้สั่งนี่คือเห็นอนัตตานี่คือการเจริญปัญญางั้นในสภาวะคลิกเดียวของจิตท่าน น, นะได้ครบหมดเลยนะถ้าดูเป็นนะ อย่าไปกังวลแค่เห็นจิตขยับไปขยับมานะแค่นั้นก็พอแนละ้วอ๋อเมื่อวานที่หลวงพ่อแนะว่าจิตมันนิ่งๆพอพอออกไปก็ไปพยายามแก้มันค่ะดูออไปแก้มันอีกแล้วก็รู้พอสักพักหนึ่งก็รู้ว่าอืมก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่ฝึกนะว่าต้องแก้อย่างโ น, น้นต้องเป็นอย่างนี้ห้ามเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ห้ามเลย มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็พอตอนบ่ายใจก็คลายขึ้นค่ะแล้วเมื่อเช้าก็ตื่นมาแล้วก็มาเดินเดินในห้องอ่ะก็เดินไปเดินมาอยู่ดีก็ได้กลิ่นก็เห็นว่าจิตมันวิ่งไปไอที่กลิ่นเนี่ยกลิ่นอะไรล่ะก็ตอนนั้นก็เหมือนแค่จิตไปรู้ว่ามันมีกลิ่นแล้วอีกมันเหมือนอีกดวงจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้ว่ามันเริ่มคิดว่า กินอะไรอืมอืมแล้วท่านก็มีสติขึ้นมารู้ทันว่าอ๋อจิตเราหลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เรียกว่าหลงนะวิธีของจิตมันเป็นอย่างนั้นขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์เนี่ยหรือใจไปกระทบทีแรกเนี่ยนะมันไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกมันต้องมีการแปลความหมายก่อนพอแปลความหมายได้แล้วถึงจะมีการตัดสินว่าอันนี้ดีนี่ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิด ถ้าใจก็จะดิ้นดนไปเพราะในภาวะที่ตาหเห็นรูปเนี่ยขณะที่ตาหเห็นรูปยังไงก็ไม่มีสติต้องไม่มีสติเพราะจิตที่เห็นรูปเป็นวิบากจิตไม่มีกุศลอกุศลอกเป็นธรรมชาติพระละหันเวลาเห็นรูปก็ไม่ได้มีสติจิตมันเป็นอย่างนั้นที่เราเห็นนันเรียกว่าวิธีจิตรู้สึกไหมมันทํางานเป็นทอดทอด ขณะแรกที่เห็นนะไม่รู้ว่าเห็นอะไรไแล้วค่อยมีการแปลความหมายแปลความหมายได้แล้วก็มีการให้ค่ามีการให้ค่าแล้วก็ถึงจะเกิดการดิ้นรนของจิตเป็นอย่างนั้นแหละดิ้นอยู่ช่วงหนึ่งจิตก็ตกผวาลงอีกแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมารับอารมณ์ใหม่อาจจะไปรับทางหูก็ได้หรือไปรับทางใจโดยตรงก็ได้หรือไปรับทางตาอีกก็ได้เลือกไม่ได้สันนินเลยนี่นกลไกของจิตเป็นอย่างนั้นถูกแล้ว แล้วมีคําแนะนําที่จะดูไปสบายๆแต่ไม่ให้ เ, าเราเหยินนะดูบ่อยๆ อ, ยอส่งคนบ้านหกเดือนครับอตอนนี้เห็นจิตที่บังคับให้แยกขันแล้วก็มีการชี้นําให้เห็นไตรลักษณ์ด้วยโอ้ดแีแรกๆบางทีก็ต้องจงใจนะแต่พอมันชํานาญขึ้นแล้วก็อย่าไปจงใจอย่างไตรลักษณ์เนี่ย แรกๆบางคนรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันไม่ดูใจรักก็ต้องน้อมนาช่วยมันคิดช่วยมันพิจารณาเป็นเรื่องถ gotcha ูกนะไม่ผิดหรอกแต่ว่าพอมันเห็นได้เองแล้วก็อย่าไปคิดเอาไม่ได้ส่งกันบ้านมาสี่ปีกว่าแล้วค่ะเออคนนี้พูดไทยได้ก็พอดีช่วงนี้ที่ผ่านมารู้สึกว่าจะโดนดมสกรรมจกกุยบ้าต่างๆก็เลยรู้สึกว่า พยายามได้แค่ว่าไม่ให้ผิดสีนะคะเออได้แค่นั้นก็ดีแล้วแล้ว<笑><笑>กออ็ทีนี้มีปัญหาคือพอทําในรูปแบบแล้วมันอาจจะอยากว่าอย่างหนีปัญหามั้งคะเพราะมันสบายปุ๊บมันหลับไปเลยค่ะไม่ว่าจะเดินจะนั่งไม่เป็นไรถ้าชีวิตเราเครียดนะเราพาวนาแล้วหลับก็ยังดีใด้มันพักไปไม่ฝืนมันนะฝืนมัน<ะ>ปวดหัวนะอย่างน้อยเราก็ได้พักค่ะไว้วันไหนเรามีเรี่ยวมีแรงพอแล้วเราก็ค่อยเดินปัญญาว ตอนนี้แค่รักษาตัวให้รอดก่อนคน้ำมาส ก, การค่ะหลวงพ่อว่าไง<笑><笑>ลูกชายให้มาส่งกันบ้านคะ่ะเหรอว่ามาก็หนูหนูอยากรู้ว่าที่หนูทำสมาธิเพื่อได้พลังกับกับตารู้กายรู้ใจอะค่ะจะเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะให้สมดุลนะคะ คือ<ล>ถ้าถ้าสมาธิไม่พอมันฟุ้งซ่านดูกายดูใจไม่รู้เรื่องนะถ้าสมาธิมากนะใจมีขี้เกียจนิ่งซื่อบื้ออยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้ซื่อบื้อนหนูโลภที่จะตามรู้กายรู้ใจมากไปหรือเปะะอล่ า, ลาละคะพอ ด, ด, ดีแล้วแต่อย่าไปโลภอยากได้ผลนะขยันดูกายดูใจน่ะดีแล้วแต่อย่าไปหวังผลมันถ้าหวังผลงนี่เรียกว่าไม่ดีเลยลูกเขาถามหลวงพ่อ น, นิดนึงว่า พอพอเรารู้ว่ากายใจนี้ไม่ใช่ของเราก็เหมือนกับว่าคอยดูเหมือนเหมือนหนูทําเหมือนว่าหนูกําลังดูคนอื่นนะคะถูกตอนนี้หนูกำลังสงสัยว่าหนูขี้เกียจไปหรือเปล่าก็คือหนูแค่ดูอย่างเดียวเลยดูอย่างเดียวมันสบายไปไหมอะไรเงะะี้ยค่ะสบายดี <laughs> ไม่ไม่ขี้เกียจใช่ไหมคะไม่ขี้เกียจเราขี้เกียจไม่ดูถ้าดูอยู่นะดูสบายๆเนี่ยเพอร์เฟคเลยดีถ้าดูแล้วเครียดเนี่ยอย่าไปดูมันเลย คือห น, หนูหนูเลยรู้สึกว่าหนูสบายไปแบ บ, บนั่นดูอย่างเดียวเลยแบบนั่นหลวงพ่อนอนกระดิกเท้าอยู่ยังภาวนาได้เลยเออเห็นไหมสบายสบายใช่ค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูสบายไปหรือเปล่าคือทําอะไรก็ดูอย่างเดียวง่<ร> า, ายจังเลยถ้าเรารู้หลักแล้วนะแล้วเรากิเลสเราไม่แรงนะการปฏิบัติเนี่มันเดินอยู่ในสุขขาปฏิปทามีความสุขภาวนาสบายใช่ถ้าพวก กิเลสแรงนะต้องทุกข์ขาปฏิปทานะแล้วถ้าอินทรียแก่กล้าก็ เ, าเป็นขิปนาวิญญาบรรลุเดวอินทรียไม่แก่กล้าก็ เ, าเป็นทันทาปิญญาบรรลุชา้านะงั้นของเรากิเลสเบาบางเราดูได้สบายๆก็ บ, บุญแล้วละสาธุคะ่ะนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือหนูเพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณสเดือนนะคะทีนี้อยากจะมาขอการ <3 S 1> บ้างจากหลวงพ่ อ, อ ดูนะกายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งรู้รู้สึกไหมเป็นบางครั้งนั่นแหละถูกแล้วมันไม่ได้เห็นตลอดน ะ, ะเห็นเป็นบางคราวขันมาเริ่มแยกแล้วถ้าขันแยกได้เนี่ยขันภาวนามไม่ยากแล้วต่อไปเราก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานนะถ้าใจไม่ชอบใจยินดีใจยินได้เข้าไปแทรกแซงก็รู้ทันนะให้รู้อย่างที่มันเป็นนะรู้ได้ใจที่เป็นกลางสบายสบาย ทำนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะหนูเรียนทางไกายอะค่ะส่วนมากจะเรียนจากซีดีจะฟังซีดีของพระอาจารย์หลวงพ่อเป็นวิหาธรรมทุกวันนะคะแค่ฟังเสียงก็จะรู้สึกสบายใจโล อ, อย่างนั้นเสพติด ป, ป่าแล้วก็จะมีแรงมีพลังในการ<อ>ดูกายดูจิตดูเขาทํางานในชีวิตประจำวันได้แล้วก็จะดูรู้หลงเพ่งอื แล้วก็ชอบไม่ชอบเกิดดับทีนี้จะมีสภาวะมาถวายหลวงพ่อสามสามสภาวะค่ะสภาวะที่หนึ่งวันนั้นนั่งสมาธิเป็นปกติอะค่ะแต่ว่าเกิดเข้าไปคิดว่าเป็นฌานอะค่ะแล้วมันจะมีตัวรู้เด่นดวงขึ้นมาแล้วก็มีเหมือนกับโลกที่มันวุ่นวายอยู่ตัวรู้เขาก็ดู ดูไอ้โลกเนี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเออถูกเราไม่เราเป็นผู้ดูเราไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาแต่ว่าถ้าเราไปหยิบมามันก็เป็นตัวกูของกูหนูก็มาทวนเข้ามาในจิตว่าเราเข้าผวังเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่พอทวนเข้ามาในจิตเขาก็ยังอยู่ที่เดิมญญเขาก็ยังแสดงของเขาไปปัญญามันเกิดนะค<ะ>แต่อริยามากยังไม่เกิดคแล้วเขาก็บอกว่า มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ออกมาอยู่ในโลกปกติอืแล้วหนูก็มาทวนดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หนูก็เห็นว่าความจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นมันมีเส้นใยบางๆของโมงหะเนี่ยออกั้นอยู่ทําให้หเกิดอกุศลอยู่ได้ตลอดเวลามันยังไม่ขาดครับมันมีเส้นใยบางๆทําให้เราทําให้เราเนี่ยมันเดียเด๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอยู่เรื<ด>่อยๆดูตรงนี้ดีกว่าหนูรู้สึกไหมเวลาหนูพูดคําว่าเราเนี่ย มันรู้สึกว่ามีเราจริงๆใช่ค่ะใช่มันจะมันเหมือนกับเข้าออกเข้าออกเข้าออกอยู่เรื่อยๆเนี่ดูไปเรื่อยๆนะกระาท้างสภาวะที่รู้สึกเป็นเราน ะ, ะก็เกิดดับเกิดดับได้นะใช่ๆดูเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันปิ้งมันก็ขาดเลยตรงเนี้ยค่ะสภาวะที่สองค่ะก็ขับรถไปตามปกติเจอสี่แยก เขาไม่สั่งอะค่ะว่าจะให้ไปซ้ายหรือไปขวาแต่ตรงนี้มันจะมีจุดผู้รู้ถามว่าสั่งสิจะให้ไปทางไหนอืมและอีกสภาวะหนึ่งหนูก็เปิดห้องไปปกติทีนี้ไม่มีตัวรู้เด่นแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าไม่แปลว่านี่เป็นอะไรสัญญามันไม่ทํางานค่ะเขาก็แต่สักพักหนึ่งแค่คลิปตาเดียวเขาก็บอกว่าเป็นขาลูกสาวอืแต่ว่าตัวสองตัวนี้ที่เหมือนกันก็คือว่าตัวแรก ก็จะมีจิตผู้รู้ตัวที่สองก็จะมีจิตผู้รู้แต่ว่าสภาวะที่สามนี่ไม่มีจิตผู้รู้ส่วนสภาวะที่สุดท้ายก็คือสภาวะที่สามเขามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งมันจะรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเน่อยกับชีวิตแล้วก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวพัฒนาขึ้นเดี๋ยวพัฒนาลงวันหนึ่งมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเราก็ทําของเราตามปกติทําหน้าที่ของเราไปมันเหมือนมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่า เวลานอนที่ว่าได้พักจริงๆมันก็มันเหมือนมันก็เหมือนไม่มีที่ไหนที่มันมันก็ยังต้องฝันอยู่อย่างเดียวยังยังฝันอยู่ดีมันไม่มีที่ไหนเลยที่มันมันได้พักจริงๆค่ะมันไม่มีหรอกมันมีแต่ตัวทุกข์แต่ว่าใจนะยังไม่เป็นกลางนะตื่นเต้นมากเลยค่ะเอใจอย่าไปเกลียดมันสภาวะทั้งหลายถ้าใจยังไม่ชอบมันนะอยากพ้นไปเลยก็รู้ทันนะรู้ไปสบาย ขอการบ้านได้คะ่ะหลวงพอ่ออย่าใจร้อนอย่าฟุ้งซ่านในธรรมะนะดูสบายๆไปอสาธุค่ะนะเวลาในชีวิตประจาวันนะคะหลวงพอ่อมันจะรู้เหมือนมันมีนมฟิล์มกั้นนะคะมันอย่าไปเกลียดมันนะเห็นมันรู้ไม่ถึงจิตนะคะถ้ามันรู้ไม่ถึงจิตเฉยๆนะไม่ยากอะไรหรอก รู้ทันว่าไม่ถึงจิตรู้ทันว่าอยากให้ถึงจิตแค่นี้ก็เข้าแล้วมันจะมีทั้งสองแบบนะคะหลวงพอ่อทั้งที่รู้สึกว่ามันรู้ไม่ถึงจิตแต่ว่ามันมันน่าจะเป็นความโง่องของจิตที่มันอยากจะลงไปดูอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันยังมันก็เห็นฟิล์มกั้นนะ เ, ออเวลาที่จิตมันย้อนเข้ามาไม่ถึงจิตเนี่ยอย่าไปตกใจถ้าอยากเข้ามารู้ว่าอยากตรงที่รู้ว่าอยากเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะเข้ามาถึงจิตเรียบร้อยแล้ว งันไม่จําเป็นต้องไปทะลุทะลวงให้ตรงนั้นเลย แ, แค่รู้ทันความรู้สึกจริงๆของเราเท่านั้นก็ถึงแล้วถึงแม้มันจะอยู่อย่างนี้ก็มัก็อยู่ของมันไปมันไม่ขาดง่ายหรอกนะจนกระทั่งโสดาเกิดขึ้นนะมันก็ขาดแล้วมันก็ปิดอีกสักระคาขาดแล้วก็ปิดอาคาคาดแล้วก็ปิดอีกนะก็คลุมไว้งั้นแหละไม่ขาดหมดหรอกนอกจากพอเวลาทําในรูปแบบอะค่ะหลวงพอ่อ มันก็จะเหมือนใจเข้าฐานนะคะใจมันก็จะทิ้งตัวที่มันอยากจะลงไปดูแล้วก็อมแม้กระทั่งทิ้งอารมณ์มันจะวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็สุดท้ายอยู่กับตัวรู้ใช่มันได้แค่นั้นเลยใช่ไหยคะแค่นั้นแหละแต่ถ้ามันเดินปัญญามาเต็มที่แล้วนะแล้วมันเข้ามาที่ตัวรู้บางทีอาริยามากเกิดนะ<อ>แต่ว่าถ้ากําลังยังไม่พอรวมเข้ามาเข้ามาพักผ่น<อ>มีแรงแล้วออกไปเรียนรู้ใหม่นะ<อ>ยกเข้าออกเข้าออกอย่างนั้นแหละถูกแล้วล่ะ การที่เรามีที่พักเข้ามาได้อย่างนี้เราจะพอนาสบายไม่เครียดดีใช้ได้เอาว่าไปนรมส ก, การค่ะคะื อ, อช่วงนี้ฟุงซานมาค่ะฟุงก็ช่างมันพยายามทำความสงบแต่ว่ามันยิ่งทำเหมือนยิง่งให้ดูให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะใจไม่เป็นกลางใจเกลียดมันถ้าเรารู้ทันความเกลียดดับไปนะใจก็สงบทันทีเลย เลยทาได้แค่ปล่อยใจให้สบายๆค่ะให้รู้ทันใจสิไม่ใช่ปล่อยใจทิ้งนะรู้ทันว่าใจไม่ชอบมันใจอยากดีใจอยากเข้าฐานใจอยากสงบอะไรนะรู้ทันใจที่อยากอนะ่ะอยากดีอยากไม่อยากพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีอยากให้มีสิ่งที่ดีถ้ารู้ทันถึงใจได้นะก็พอดีพอดีเลยเข้าที่เลยอย่าพยายามให้จิตเข้าที่นะ แค่รู้สภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆรู้ความรู้สึกของจิตจริงๆมันก็เข้าที่แล้วกลับน้ำส ก, การครับหลวงพ่อครับตอนนี้มันรู้สึกสบายๆครับออไม่ค่อยได้ทำอะไรอยู่ไปวันๆแต่ว่าจิตมันก็ตื่นรู้อยู่ไม่รู้ทำถูกหรือเปล่ามันอ่อนไปอ่อนไปแล้วครับออมันสบายไปพามันดูกายดูอะไรให้มากๆหน่อยให้ดูกองทุกให้เยอะหน่อย ไม่งั้นเดี๋ยวมันสบายว่างๆไปมันสว่างว่างอยู่อย่างเดียวไม่ได้นะให้มาดูกายดูใจไปให้เห็นว่ากองทุกไปย้อนมาดูก็คือว่าจะขอคำแนะนำค่ะคือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนความทูกทางโลกเข้ามาเยอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็เหมือนก็ยังดีนะไม่เสียเชิงเป็นนักปฏิบัติ ความทุกข์ทางโลกมาใจมันก็กับปรี่กับเป่าในการปฏิบัตินะมันดูได้เยอะขึ้นนะขันมันก็แยกแล้วจะกลัวอะไรความทุกข์มันเข้ามาได้ที่ขันเท่านั้นแหละมันมาไถึงใจหรอกแต่ใจจะไปปฏิเสธความทุกข์นะใจไปปฏิเสธปัญหาก็เลยเกิดความทุกข์เหมือนเวลาที่มันพอมันซัดเข้ามาหนึ่งลูกอย่างเงี้ยพอเราตั้งตัวได้นิดหนึ่งเราก็จะรู้สึกเหมือนเราจะเติบโตนะเราจะเติบโตขึ้น เวลาปัญหาตูมบางทีเราผ่านตรงนั้นนะเราก็โตขึ้นใช้ได้นะให้ปฏิบัติอย่างเดิมต่อใชคกก่ค่ะนวมสการค่ะหลวงพ่ออว่ามาคืออ่าหกประมาณหกเดือนที่แล้วมาส่งกันบ้านนะคะหลวงพ่อบอกว่าหนูจับตัวรู้ไว้ข้างบนแล้วหนูจับมาหลายปีแล้วด้วยค่ะถ้าหนูไม่ปล่อยก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยออๆหนูคิดว่าอ่า หลังจากที่หลวงพ่อบอกประมาณสักสองสาวันลองไปเดินจงกรมดูค่ะเห็นมันคลายถูกมันลคลายหนูก็เลยจะงั้นแซงว่าก็ถูก <laughs> รู้ย่างว่าที่ทํามามันผิดสองสมหลายปีเลยค่ะ <laughs> หลวงพ่อเสียเวลานะค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่านจะเห็นเลยว่ามาเห็นหน้าเพื่อนนี่แบบอารมณ์ขึ้นเลยค่ะดู <laughs> หน้าตาเขามีเสน่ห์หรือไง <laughs> <laughs> อ, ย อ, ยอยากเข้าไปทำรา <laughs> ้ายอยากทำร้ายเลยเ แ, <laughs> แล้วก็หลวงพ่อคะ่ะคือช่วงหลายๆปีหลังๆนี้หนูไม่นั่งสมาธิไม่เหมือนตอนที่หัดทำสมาธิใหม่ๆอะคะ่ะหรือว่ามันเข้าไปแต่ตอนปกติหนูจะสังเกตตอนหนูมันถอยออกมาแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนคลิกเดียวหรือว่ามันไม่เข้าเลยหรือว่าสมาธิ เสียเสียไปแล้วหรือเสื่อมไปแล้วไม่เสียหรอกมันเป็นคณิกาสมาธินะมันรู้สึกเป็นคณะคณะขณะไปส่วนสมาธิที่ลึกกว่าคณิกาเนี่ยก็ต้องซ้อมเอาถ้าไม่ฝึกไม่ซ้อมมันก็ไม่ชํานาญแต่ก็พยายามนั่งสังเกตตัวนี้สิใจมันอยากสงบแล้วใจมันมีโทสะไม่ชอบเลยที่มันฟุ้งซ่านแล้วใจมันไม่มีความสุขนะมันจะไม่เกิดสมาธิลึก ใจต้องมีความสุขไม่ใช่ว่าอยากจะสงบอยากเข้าฌานอย่างนี้นะใจก็ดินด้นดิน้นดิ้นไปงี้ยจะไม่เข้าสมาธิหรอกต้องทําใจสบายก่อนเพราะฉนั้นก่อนจะนั่งสมาธิต้องยิ้มหวานก่อน <c oughs> ยิ้มให้ใจมันยิ้มจริงๆเลยนะให้ใจมันคลายเหมือนเราเจออะไรที่สบายใจ ใ, ใจเราสบายแล้วเราก็ทำกรรมาฐานไปสบายๆเมื่อเช้ามาทันไหมที่หลวงพ่อสอน <c oughs> ทัน่ะหลวงพ่อสอนเราจะให้เกิดสมาธินะรู้จากเลือกอารมณ์ที่สบาย แล้วก็รู้อารมณ์นั้นด้วยใจที่สบายๆถ้าเรารู้จักคําว่าสบายนะสมาธิจะเกิดอย่างรวดเร็วเลยแต่ถ้าใจเราญหญุนหิดเราอยากสงบใจจะไม่เข้าสมาธิหรอกไม่สงบตอนมันเหมือนเป็นเรื้อลังมาหลายปีแต่หนูไม่เคยกล้ายกมือถามหลวงพ่อค่ะตอนที่เหมือนตอนที่มันเข้าไปลึกๆแล้วหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไปลึกอ๋อนั่นมันหลงไปแล้ว ค่ะแล้วพอมันไม่เข้าไปปุ๊บแล้วหนูก็เหมือนเสียใจอะค่ะทําได้ว่าจิตมันออกนอกกายเลยค่ะมันออกไปลอยอยู่ข้างนอกแล้เออออกนอกก็มีดีค่ะก็ได้สติเขากลับเข้ามาแล้วถูกแล้วล่ะอยู่กลางๆลางไม่ไม่เข้าลึกนะค่ะแล้วพอพอรู้อย่างนั้นมันก็จะไม่รู้ว่าเป็นเพราะตั้งแต่วันนั้นหรือเปล่ามันก็เลยไม่ลงไปเหมือนเดิมอย่าไปลงอย่าไปลงอย่างเก่า เวลาจิตรวมไม่ได้ไปรวมเลือกเข้าไปข้างในอย่างนั้นนะถ้ารวมเลือกแล้วหลงเข้าข้างในนี่ไม่ดีมันรวมอยู่ตรงนี้แหละบางทีมันตัดการรับรู้โลกภายนอกออกไปก็ยังอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกคําว่าจิตรวมจิตรวมเราอย่าไปวาดภาพว่ารวมเลือกลงไปข้างในนะเพะงั้เราติดอยู่ข้างในรวมอยู่ตรงนี้แหละอยู่กับปัจจุบันนี่ไม่ไม่หนูไม่รู้ว่าตรงไหนคือพอดีค่ะ พอดีหาไม่ได้นะให้รู้ตรงที่ไม่พอดีตอนที่ไหลไปไหลามาเนี่ยเรารู้แล้วมันจะพอดีเองสิ่งที่ถูกทําไม่ได้ให้รู้ทันสิ่งที่ผิดแล้วมันไม่ผิดมันก็ถูกเอง ก, การมรสกครับท่าน อ, อทรงกันบ้านรอบปีกว่าครับอืก็กลับไปพยายามทําที่ตามที่ท่านแนะนําำนะครับอืก็ มันไม่รู้จะถามอะไรลืมอดูไปนะกากระใจเขาคนละอันสุขทุกข์ดีชั่วกับใจเขาคนละอันดูอย่างเงี้ยแลเห็นมันทํางานไปผมเหมือนเหมือนมีบางครั้งผมรู้สึกว่าผมเห็นเหม่อขึ้นเองอะครับเห็นอะไรนะเวลาเหมือแล้วมันมันรู้สึกตัวขึ้นเองอัตโนมัตินะครับถูกสติเราดีละครันะแล้วก็ผมมีบางสภาวะที่มันเป็นัญไม่รู้เป็นปัญหาหรือเปล่านะครับคือ มันเหมือนสะดุ้งแรงครับเวลาบางทีฟังธรรมหรือว่านั่งสมาธิสักพักนะคเป็นเป็นสะดุ้งถึงร้อยทีอะไรเงี้ยนะเฮ้ยสติมันอ่อนไปเนะครับสติมันอ่อนไปรู้สึกตัวไวครับผมขอการบ้านเพิ่มครับท่านทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะจิตจะได้มีกำลังมันรู้เนื้อรู้ตัวอย่ไม่สะดุ้ง บางทีจิตมันจะหล่นลงไปนะมัรู้สึกมันจะล่วงลงไปมันสะดุ้งหรือหรือบันทีจิตมันเคลิมไปมันสะดุ้งขึ้นมานี่เรามีสติเอาไว้ไม่สะดุ้งหรอกครับแต่ถ้ามันสะดุ้งเองก็ช่างมันนะไม่ถึงขนาดห้ามมาตรการหลวงพ่อครับขออนุญาตส่งการป้าในรอบปีเสร็จฮะ ก็เห็นใจที่มันไปเป็นกลางมากขึ้นนะฮะจากเดิมที่เมื่อก่อนยินดียินร้าจะไม่เห็นไม่เห็นนะฮะก็รู้สึกว่าเห็นได้มากขึ้นดีถูกครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่จิตมันวุ่นวายมากเนี่ยมองอะไรไม่ออกเนี่ยก็จะมองลงไปตรงๆเลยพอมองลงไปตรงๆซื่อๆมันก็มันก็หายเลยใช่ครับตรงนี้สําคัญนะต้องกล้าหานมากเลยบางคนมีสภาวะเกิดขึ้นนะแล้วโม้เสียงไปเสียงมานะความจริงรู้ตรงๆเข้าไปก็จบละใช้ได้ ขอกันบ้าน้วยครับไปทำอีก